หนังสือธรรมะหลายเล่มที่ออกมาก็ไม่ใช่ผลงานของหลวงพ่อตามที่จริงกับธรรมเทศนาหรือว่าคําพูดหลวงพ่อนั่นแหละที่มีท่านองค์มนตรีดเรเฉาท่านมีโมนิทิกกัพิมพ์หนังสือนี่ออกแล้วก็มีในช่างวานิทกับกลุ่มของท่านนั่นแหละกลุ่มในช่างวานิทก็มีท่านรัตนะเป็นผู้ตรวจ หนังสือที่ออกมาจัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยมูลนิธิวิริยะนศิลวรรณวัดป่านาคำน้อยคือเรามีมูลนิธิเพื่อเผยแผ่ธรรมะคือท่านองค์ขมนตรีท่านดเรเฉาท่านบอกว่าท่านจะเผยแผ่ธรรมะ ท่านเน้นหนังสือธรรมะของพระพุทธศาสนาที่ปีมีประโยชน์แล้วกัหนังสือหลวงปู่มั่นที่คําธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นที่เห็นว่าเดได้ทำเป็นคำทำคำสอนของท่านจะเรียบเลียงจุดไหนก็ได้แล้วกับหลวงปู่ขาวธรรมเทศนาหลวงปู่ขาวที่เป็นธรรมะของท่าน มาพิมพ์ได้แต่ธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเอามาพิมพ์เรียบเรียงพิมพ์ตรงไหนได้แล้วก็หลวงปู่ชาจุพัทโทท่านให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสแต่คณะที่ทำงานก็ถามว่าตั้งสืออลงพ่ออินละ่ะท่านบอกว่าอยู่ในอวยทำได้เลยท่านหลังั้นเพราะนั้นก็จะมี ทั้ง mp สของหลวงพ่อด้วยทั้งธรรมเทศนาของหลวงพ่อด้วยจะออกเป็นระรอกระลอกต่อ น, นี้ไปคงจะมีหนังสือของหลวงตาที่เป็นโครงการช่วยชาติจะประกาศกิติคุณของหลวงตาจะนําคําพูดรธรรมเทศนาของหลวงตาที่ต่างกลำ้ำต่างวาระแล้วจะมาพิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มให้พวกลูกหลาน คณะสัตยาญาณยมได้ศึกษาอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของผู้ที่พิมพ์หนังสือนะแต่ลุงพ่อมองดูแล้วกลุงพ่อไม่ขัดข้องพราะก่อนที่จะออกก็ให้พวกท่านทั้งหลายกันกรองไตรตรองด้วยความรู้ความสามารถที่มันมีในใจของพวกท่านทั้งหลายถ้าเห็นว่าถูกต้องแล้วเอาออกเลย พอหลวงพ่อเอ็หลวงพ่อก็ออกสู่สาธารณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกันไหนเป็นยังไงหลวงพ่อก็ประกาศอยู่แล้วว่าถ้าผู้ใดได้ฟังทำคําสอนหรือว่าทําคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยแปลกแหวกแมวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าแปลกแวกแนวต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงไหนคําพูดใด หลวงพ่อยินดีที่จะรับฟังในเรื่องนั้นๆแต่อย่าไปจัดเป็นภาพรวมออกมาเพียงแต่ความอิจฉาในใจเท่านั้นแหละเอ้ยทำมาเทศนาของหลวงพ่อยินไม่ดียงุ่นอย่างนี้ไม่ดีที่ตรงไหนอยากจะให้ชี้แจงมาเป็นจุดนะเราจะได้ปรปับปรุงแก้ไขเราไม่ได้ต้องการอะไรมีแต่อยากจะ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าส่งเสริมปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และแนวธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ยังยืนถาวรเราไม่ได้มีเจตนาแม้แต่น้อยหนึ่งที่จะรล็ดรอนหรือ ว, ว่าทําร้ายทําลาย ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราทักยกเชิดชูบูชาในทำคำสอนที่เป็นธรรมที่เป็นอัตที่เป็นธรรมที่เป็นหลักเหตุผลเราเชิดชูบูชาแต่บางท่านบางคนอาจจะเอาทำคำสอนตีเข้าข้างตัวเองแล้วก็พูดออกมาอันนั้นเรายอมรับไม่ได้เรายอมรับไม่ได้ในจุดนั้น แต่ถ้าว่าเอาทำคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าแล้วเอามาพดด้วยหลักเหตุผลแล้วเราพอฟังเราศึกษามาตั้งเจกว่าปีขนาดเนี้ยอายุเจกว่าปีชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นสมณเนถึง58ปีคงจะรู้ได้ว่าคำพูดไหนที่เป็นอัดเป็นธรรมคำพูดไหนที่เป็นกิเลส คำพูดไหนที่แอบแฝงคำพูดไหนที่เอาตีบาลีเข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกข่มคนคนคนผู้อื่นเขาอันนี้หลวงพ่อก่อนอะพอจะอ่านออกพอจะดูได้แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะดูจะให้เป็นธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมในพระพุทธศาสนา นะขอให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเรานะศึกษาดูทานศึกษาดูแลเห็นคําพูดใดบทใดที่หลวงพ่อพูด อ, ออกไปในหนังสือแบบนี้เออที่มันผิดแปลกแตกต่างมาร์กไว้เลยนะ ข, ข, ขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าในคําพูดนี้ไม่น่าจะออกนะหลวงพ่อก็จะได้ทวงติ่งไปทางคณะกรรมการพูดตรวจสอบนะแต่หลวงพ่อมั่นใจฮะ มั่นใจในผู้กระทําผู้ออกผู้เรียบเรียงและก็คําพูดหลวงพ่อด้วยตรงพ่อพูดออกไปทุกคำหลวงพ่อรับผิดชอบนะแล้วก็ผู้ที่เอาออกไปก็มั่นใจว่าท่านเหล่านั้นได้กั่นกรองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วจึงได้นําออกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้รับไปแล้ะขอฟังเอาไปอ่าน <c oughs> ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเกิดประโยชน์แล้วหลวงพ่อไม่ได้เก็บทบทวนจากพวกท่านทั้งหลายนะอผู้ใดก็าตามในฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อแล้วเข้าใจในธรรมแล้วเป็นคนดีขึ้นมาแล้วเข้าไปหลวงพ่ออินเก็บเงินนะค่าตรงนะมาส่งให้หลวงพ่อนะคนละห0จสิบตางคนละบาทหลวงพ่อจะไม่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดนะคือให้ไปแล้วคือให้ไปคือให้ไป ให้พวกท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังแม้แต่น้อยเดียวจากพวกท่านทั้งหลายก็มีแต่มุ่งหวังให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีเออเป็นคนดีของโลกเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นคนดีของกลุ่มของหมู่ของคณะของพ่อของแม่ของวงศาคนาญาติของครูบาอาจารย์ เป็นกรดีสนุปตัวเองตัวของท่านเองนะหลวงพ่อมีความมุ่งมัม่นมีความมุ่งหวังเท่านั้นนะนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมกรกฎาคมพุทธศักราช255พ25 58, นหรอ้าสบแวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งจวนจะเข้าพรรษาเต็มทนวันที่ส0สบก็เป็นวันอัศรหาบูชา วันที่31เอเป็นวันเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นย้ำเรื่องพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ได้พูดแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องต่างๆกิ ร, ยริยามรยาแนะนาอบรมมากหลากหลายแต่เรื่องพวกเราท่านทั้งหลายเป็นเบื้องต้นก็คือพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยเราเข้ามาทำไม มาเพื่ออะไร เ, เราเห็นอะไรจึงเข้ามา อ, อ, อันดับแรกหลวงพ่ออยากจะเน้นว่าให้พวกเรายึดพระไตรสรณะคมคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพ่อพวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แนวแถวปฏิปทาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร แนวปฏิปทาของท่านท่านพาดําเนินอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรแต่นี้พวกเราได้ศึกษาหรือได้นับถือจากเป็นตระกูลของพวกเรามาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายมามาถึงพวกเราพวกเราก็จะเบียงทิ้งจะไม่นับถือจะเลยอันนั้นแปลว่าพวกเราได้โง่มาก ปิดหูปิดตาตัวเอง เ, ออเราต้องศึกษาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาถือมาตั้งนมนานเขาถือมาด้วยอะไรต้องศึกษาศึกษาต้องศึกษาในรายละเอียดศึกษาเข้าไปให้ลึกซึง้งลึกศึกษาว่าลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานสอนเบื้องต้นเป็นยังไงท่ามกลางเป็นยังไงที่สุดเป็นยังไงเบื้องต้นก็คืออะไรพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วนะ จากนั้นฟังพระธรรมคำสอนท่านก็นสอนว่าให้ทานนะอถ้าคนที่มีการเสียสละมีการให้ทานแต่บางศาสนาเนี่ยเขาไม่แนะนําในการทําทานเพราว่าทําให้คนอื่นเสียคนแต่พุทธศาสนาไม่ท่านสอนให้พวกเราเสียสละเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าคนใดเขาตามมีขี้กิตใจขี้ตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครพี่น้องก็อยู่ก็กไม่ได้ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนหมูหมากาไก่ก็อยู่กับพราไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่มีน้ำใจเป็นคนใจดําเป็นคนไม่มีเมตตาอันนี้ก็คือฐานะศีลก็อยู่ในกฎระเบียบคือศีลห้าของพระพุทธศาสนาศึกษาดูให้ดีศีลห้าของพระพุทธเจ้าคืออะไรจากนั้นก็มาพูดถึงจิตใจทางด้านจิตใจนิดให้พระพุทธเจ้าให้นึกคิดอย่างไร จึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมเห็นไเบื้องสูงสุดเบื้องต้นท่ามกลางสูงสุดอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเป็นคร่าวๆนะแต่ถึงยังไงก็ตามเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอนอบน้อมซะก่อนอันดับแรกขอนะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นอันนี้เรากล่าว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 มหากรุณาที่คุณอย่างสุดซึ้งที่สุดไม่มีไม่มีท่านผู้ใดที่จะมีพระมหากรุณาที่คุณยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้าหมดจดจากกิเลสเพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งแต่เมื่อพวกเรายึดพระไตรสระคมเป็นที่พึ่งแล้วนะยึดเป็นหลักแล้วเราอย่าไปถืออย่างอื่นเถอย่าไปถือพูป้ปีศา เอ้าเจ้าฟ้าเข้าทรงเข้าเอ็กฝีพระผีฟ้าผีแถมมาเข้าทรงเราเราจะไปนับถือเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยังมีกิเลสอยู่ถึงจะพระพรหมก็เถิดจะเป็นพระพรหมพระพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่เอจะเป็นเทพเทพองค์ไหก็ตามสารพระภูมิพระภูมิก็มีกิเลสอยู่เพราะนั้นเราอย่าไปนับถือ ให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเท่านั้นนะถ้าพวกเราท่านทั้งหลายยึดพระไตรสระคมอย่างนี้คือปิดประตูตัวเองคล้ายๆกับว่าให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะผีทิพที่พึ่งแล้วนะสิ่งลังอื่นสิ่งอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกสิงนะอย่างวันบามา่ก่อนที่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อว่ามไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยผมว่ามันผีสิงลักษณะเจ้าทรง สิงอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือเห็นแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นมีไหมในโลกีมีปฏิเสธไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาก็มีแต่สัมมาเนยโยมสมมาเนของของท่านลูกของท่านพระเทลไปอยู่ในป่าเทวดาไม่พอใจมาสิงคนในบ้าน ของโยมอุปทาค่ะก็ยังมีแล้วก็มีในพระวินัยก็ยังมีอีกว่าวิภิกตุผีสิงวิภิกษุผีสิงลงอุโบสถงดอุโบสถในในขณะที่ผีสิงให้ไล่ผีออกซะก่อนอย่างนี้ก็มีถ้าผู้ใดผีสิงถ้ามันไม่ยอมออกมันต้องการกินเลือดเกาเลือดให้พระเอานั้นกินก็ได้เพราะปีผีกินไม่ใช่พระกิน อย่างนี้ในพวินัยก็ยเคยมีอยู่แต่จะเท็จจริงอย่างไงอ่ะอันนั้นพวกเราต้องศึกษาแต่พวกเราเหเห็นกันอยู่ก็คือเนี่ยการเข้าสิงในหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบั น, นองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่หลวงปู่ล่านปฏิเสธไกลๆตีหลวงพ่อว่าถ้ามันมีก็จริงยุ่แต่เราไม่นับถือเริ่มใสมันจะเหมือนกับมันไม่มีทนะันวายเงน มันจะมีได้ยังไงเพราะเราไม่นับถือเริ่องสายมันเพราะมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะผีกับผียังมีกิเลสอยู่ภูมิกับภูมิมีกิเลสอยู่พรมกับพรมมีกิเลสอยู่จะไปนับถือทําไมนับถือคนที่มีกิเลสให้โทษให้คุณแก่คนได้ทั้งนั้นแหละให้โทษก็ได้ให้คุณก็ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าหมดจดจากกิเลสราคะโทสะไม่มีมีแต่ให้พระคุณอย่างเดียว พระหันแต่สาวกของพระพุทธเจ้าให้แต่พระคุณอย่างเดียวคำว่าโทษจะให้โทษกับผู้อื่นไม่มีมีแต่ให้คุณนั่นนะอันนี้ก็คือให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแตวาามม่วิชาอาคมมีไหมวิชาอาคมมีไหมแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่ามีนะเออ อย่างไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มีมีคาถาอาคมน ม, มีมีอยู่ในโลกนี่แหละท่านว่างั้นมันมีจริงๆรไสยศาสตร์แต่จะเอามาใช้ในพุทธศาสนาไม่ถูกต้องอย่ามานะอย่าเอามาใช้ถ้ามาใช้เนี่ยคนจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเรียงคาถาอาคมหมากินความคืดอยากจะให้จัต t าญาติโยมนับถือเลื่อมใสสารกะศิลิกาสาริกาลิ้นทอง พูดออกไปให้คนเชื่อให้คนเคารพนับถือเลื่อมใสพระ อ, องค์นั้นไม่มีสารณะขาดกระทั่งสารณะก็ยังไม่มีเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ของพุทธะพุทธเจ้าเนะี่ยคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วองค์ที่ไหนที่ท่านมีอติเลกาลาบที่ท่านร่ํารวยท่านบุปกรรมของท่านในอดีตชาติอดีตชาติท่านทำ กรรมันดีแล้วอย่างพระสิวลีอเนกสงของท่านทําไมท่านจึงเป็นสิวลีท่านล่ารวยเพราะเหตุอะไรเพราะอเนกสงทานถ้าท่านก็ตั้งความปรารถนาด้วยอยากจะให้เป็นเป็นผู้มีอติเลกลาบกว่าภิกษุทั้งหลายพระโมกษาสาเลบุตรท่านปรารถนาว่าให้เป็นได้ขอได้เป็นอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพระโมกคาลาท่านก็ตั้งความปรารถนาในครั้งก่อน ให้ข้าวไปเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายเนะลยล้วนแล้วจะเป็นบ ร, รมีของแต่ละองค์เพราะฉะนั้นพวกเราชมาเชื่อวิชาอาคมไสยศาสต ร, ร์เซคาถาเป่าฟูตเป่าฟัด ม, มันไม่ถูกต้องไม่ถึงพระไตรสารณคมแต่ถึงยังไงคนอื่นทําให้เราได้ไหมมันก็ทําได้แต่ถึงยังไงก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้พวกเรายึด พระไตรสรณคมพุทธังธ ร, รมังสังขังสรณาางขัดฉามิข่าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งผีสางนางไม้เอเวตมนกนคาถาไสยศาสตร์เข้ามาไม่ถึงทางนั้นท่านว่าไ น, นเพราะเหตุไยเพราะเราปิดประตูหน้าต่างสิ่งไสยศาสตร์ฉะนั้นเข้ามาไม่ถึงเว้นเสียต่วกรรมเก่าของเรา ถ้ากรรมกรรมกรรมเก่าของเราได้ เ, เคยทํากับเขาไว้มาก่อนเคยลังแก่เบียดเบียนเขามาก่อนอันนั้นหนีไม่พ้นเขาใส่เขามามันก็ต้องเจอท่องถูกเราแน่นอนแต่ถึงอย่างไงก็ตามถ้าเรายึดพระไตรสารณคมเป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงจะมาก็เข้ามาไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่รับเราไม่รับเ อ, อเราปฏิเสธ นอกเหนือจากผู้ที่หมดจดจากกิเลสมีหลักเหตุผลเท่านั้นจึงเราจึงจะยอมรับ อ, อคือหมดกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละเรากลาบแต่นอกจากนั้นจะจะเป็นกิตติศัพท์สูงส่งขนาดไหนก็เถอะจะเป็นพระพรมก็เถอะข้าพระเจ้ายังมีแต่ยกมือไหว้จะยังไม่ถือว่าเป็นสรรระเป็นที่พึงเราไหว้คนดีเ อ, อท่านผู้ดีมีในโลกเนี่ย แต่ยังหมดยังไม่มียังไม่หมดกิเลสแต่เราก็ยังรักรเคารพเลื่อมใสนับถือยกมือไหว้ถือว่าท่านเป็นคนดีแต่แจะให้ถือเป็นสระเป็นที่พึงนั้นอย่างเพราะเหตุไรเพราะท่านยังเป็นผู้ยังมีกิเลสจยูยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาในเป้าหงนะ่งทุกขะหาทิฐิเอผุชเคนะพร ม, มัง เนี่ยพระพุทธเจ้าชนะพรมพูดง่ายๆสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ขึ้นไปโปรดไปโปรดพรมพรมมหาพรมที่ที่เป็นผู้มีอายุยืนที่สุดพอขึ้นไปแล้วพรมก็บอกว่าเขาเนคือนิพพานที่เขาอยู่เดียวนี่แหะคือนิพพานพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นฌานเฉย ขึ้นมาสู่พรมไม่ใช่ท่านอายุยืนเลยยืนจนนับไม่ถวนจนมองมองเห็นทางหลังนละยลืมหมดเลยว่ามันมันนานขนาดไหนเออคาว่าเครื่องคิดเลขเนี่กน็นับจนถึงล้านล้านล้านล้านล้านไปอีกไม่ถึงเดือนเลยจนเลยไปอีกคนละไปจนนับไม่ได้ตัวเองกขาท่านกา็หลงลืมมันยาวนานแล้วเกิดมาอยู่ในนี่แหละคือนิพพาน พระพุทธเจ้าจงว่าไม่ใช่พรมอันนี้เป็นพรมเท่าไหนท่านจะต้องถึงกําหนดท่านจะต้องลงไปเวียนไหวตายเกิดอีกในวัฏสงสารอันนี้ไม่ใช่เป็นฌานเท่านั้นเองถ้าฌานอันลึกซึง้งเป็นฌานที่สมาธิของท่านที่ททีท่านได้บำเพ็ญฌานมาอย่างดีที่สุดเหนื้อแน่นเหนือ้เอเหนื้อที่สุดเรื่องฌานของท่านละเอียดที่ละเอียดที่สุดอายุของท่านจึงเยินที่สุด อในการเป็นพรหมแต่แปรพรหมก็ยังไม่ยอมพอไม่ยอมก็แสดงอิทธิฤทธิ์นะเอาถ้าหากว่าท่านเป็นเป็นพรหมจริงท่านเป็นนิพพานจริงเอทดลองกันเลยซิปุรองบอกว่ า, เ, าเดี๋ยวเราเอาให้หาเราดูนะเนี่ยเราเราตถาคตเนี่ยโคตมะเนี่ยพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยให้หาดูนะว่าเราอยู่ที่ไหน เ, ออเดี๋ยวเราจะให้แล้วจะหายตัวให้ดูพระพุทธเจ้าหายวัดพรมก็เงียบเทบมองหาไม่เจอเออพอหาไม่เจอทีนีออ้พอออกพระพุทธเจ้าโผลออกมาเ อ, อเห็นไหมเห็นครับเมื่อกี้เนะหายไปท่านเห็นไหมข้าพเจ้าหายไปไหนไม่เห็นครับอ่านี่แหละอันนี้บุตรท่านเดี๋ยวนี้พรมหายตัวเลยเออพรมหายตัวเลยเซ่ ผมก็ในได้มีตัวเองหายตัววแบบับพอหายพอไปซ่อนอยู่ไหนพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นหมดเนยผมมาอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช่ไหมผมก็เลยยอมยอมสารภาพโอ้โหชย่ยอมยอมแพ้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นเราหมดทุกที่เราอยู่ที่ไหนซ่อนที่ไหนแต่ที่พระพุทธเจ้าซ่อนะหาย เข้าฌานะหายหายตัวไปนะเลยเล่ามองไม่เห็นเลยนี่แหละพรามจึงยอมแพ้เนะี่ยยอมแพ้พระรง์ก็ได้เทศนาะให้พระให้พรมฟังอกนะีกเนี่ยนี่แหละพรมนะไม่ใช่นิพพานะเพียงแต่ขึ้นมาด้วยฌานสมาบัติชั้นสูงท่านจึงมาอยู่ที่นี่จนหลงจนลืมว่าอายุของท่านยืนนานสักเท่าไหรนะ่นี่แหละอันนี้ก็คือ ถึงจะเป็นพรมก็ยังเป็นผู้หมดยังเป็นผู้ไม่หมดกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะจะต้องเวียนลงมาเกิดในวัฏะสงสารอีกนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดอย่างอื่นพูดมามากแต่เรื่องพระไตราสารณคมให้พวกเราให้หนักแน่นให้ยึดพัดไตราสารณคมให้หนักแน่น อย่าไปยึดอย่างอื่นถ้ายึดอย่างอื่นแปลว่าเลื่อนลอยฮะเอมันมีหลายเรื่องหลายราวขึ้นมาผลในส่กนนัะมีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก่อนเขาเรื่องผูดผีปีศาจกนลอยไปตามเขาเอตามไม่จริงถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็เถอะเราต้องให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคนเราเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไอ้คนที่บอกว่ามันเป็นเพราะเหตุนั้นเป็นเพราะเหตุนี้อีกไม่นานเขาก็ตายอีกเหมือนกันนั่นแหะเพราะอะไรเพราะเขาเกิดมา ถ้าเขาเกิดมาก็ต้องแก่กระช่องเจ็บจะต้องตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายที่พระพุทธเจ้าหนีออกไปบวชออกหนีจากออกจากเวียงวังนกลัวที่สุดก็คือหนึ่งกลัวความแก่ความเจ็บความตายจึงหนีออกจากเวียงวังจนที่ววย อ, อ, ยอยู่ในเวียงวังจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อแก่เจ็บตายเข้ามาถึงแล้ว พระนพองจึงหนีออกจากเฟียงวังไปบำเพ็ญอยู่ในป่าดงพงภัยทั้งหกปีนะเทั้งที่ท่านเป็นพระมหากษัตริยนะ์เพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานคณะสัทธายาตโยมทุกองนะฟังเอาไว้ให้หนักแน่นไม่ต้องกลัวใครถ้าเรายึดพระไตรสาระาคมผีสางนางไม้เข้ามาไม่ถึงทางนั้นละครูบาอาจารย์ ล่นปู่ล้นทวดของเราเลยท่านไปอยู่ในป่าดงพงไปไปอยู่ในถ้าภูผาป่าไม้เนะี่ยท่านมีคาถาอะไรเอท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตายก็ตายไม่ไล่ไปเกิดมาตายข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอย่างอื่นข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงเออใครจะมาทําร้ายทําลายมา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 ใครจะมาเบียดเบียนเขาก็เป็นเป็นแปลว่าผู้นั้นคิดเอคิดไม่ดีคิดเป็นอกุศลเอมีแต่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นเป็นภาลชนเอเป็นภาลจิตใจจิตใจตรงนั้นเป็นเป็นผ่านจิตใจตรงนั้นไม่ดีจิตใจตรงนั้นเป็นอกุศลจิตใจนั้นเป็นบาปเอจิตใจจิตใจนั้นเป็นจิตใจที่มาจากนรกอเวจีไม่น่านับถือไม่น่าเลื่อมใส ถ้าจิตใจดวงนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจดวงไหนเป็นเทวดาเป็นผู้มีจิตใจสูงมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันรักเคารพกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้มีสูงมีต่ํามีทุกมีจนมีฉลาดมีโง่มีทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ได้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ถ้าพึ่งพาอาศัยกันนั้นล่ละโลกทั้งโลกขอร่มเย็นเป็นสุขเอเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานคณะสัทธาญาิโยมทุกคนวันนี้หลวงพ่อเด่นเด่นเรื่องพระไตรสารณคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าคนเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเล่ะหลักลอยคนที่หลักลอยนะก็เหมือนกับเราอยู่ในกลางน้ํากลางมหาสมุทรทะเลนลั่นแหละหาที่เกาะหาที่ยึดไม่ได้ดูสิเป็นยังไง มันหาความมั่นคงไม่ได้ถ้าเรามีหลักยึดอนะย่างไรก็ยังมีความเชื่อมั่นมีความผ า, าสุกได้อยู่เพราะเรามีมีหลักยึดทางด้านจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราท่านท่านทั้งหลายนะยึดพระไตรสรณคมนะนะี่ะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะถ้าตกทุกข์ไ ย, ยากอย่างไงก่อนนี่นนะยึดคุณงามความดียึดหลักเหตุผลยึด ผู้ดีที่ดีกว่านั่นแหละมีแต่ความเจริญทางด้านจิตใจนะตอนนี้ไปรับพรประสงฆ์อนุนโมทนาให้พร